ทำบุญให้ทานมารักษาสิงมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามเหตุที่มีต่างๆกันไปบางท่านมาเพราะมาทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วบางท่านมาทาบุญเพื่อระลึกถึงวันเกิด ที่ผ่านมาแล้วบางท่านก็มาวัดตามปกติถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมาวัดอย่างสม่ำเสมอบางท่านก็มาตามโอกาสวันสำคัญต่างๆเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญทางโลกเช่นวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์เหตุผลเหล่านี้ ก็เป็นชนวนที่จะจุดประกายให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใหพ้พวกเราทั้งหลายมันทำกันให้มากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจ ของพวกเราทุกคนสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจเป็นประโยชน์กับร่างกายเท่านั้นแต่กับจิตใจแล้วกลับจะเป็นโทษเพราะถ้าเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นมีความรักมีความหวงติดอยู่กับสิ่งต่างๆเวลาที่จะต้องจากกัน ก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งแล้วหลังจากที่จากกันแล้วก็อาจจะทนอยู่กับสภาพที่ไม่มีอะไรว้าวเหว่ก็ได้บางท่านถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเวลาสูญเสียสิ่งที่ตนรักไป นี่แหละคือโทษของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโอกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจไม่ได้มาทำให้ใจมีความสุขอย่างถาวรไม่เหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันคือให้ทำทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมให้ฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้จิตใจเกิดมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดปัญญาเกิดความสามารถที่จะตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แล้วเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไป หรือเวลาที่จะต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปก็จะจากไปอย่างสงบจากไปอย่างมีความสุขเหมือนวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาซ้อมทำการพัดพลาดจากของที่ท่านทั้งหลายรักและชอบกันก็คือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆวันนี้ท่านก็แบ่งส่วนหนึ่ง เอามาบริจาคเอามาถวายให้กับวัดถวายให้กับพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในที่ดีแต่เวลาที่เรามีความตั้งใจมีความยินดีมีความพร้อมที่จะจากสิ่งนั้นไปแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมีความสุข ความสุขเนี่ยที่เราเรียกว่าบุญคือความสุขใจเรามาทำบุญด้วยการมาพัดพราคจากของที่เรารักไปคือเงินทองอนี่เป็นการสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราฝึกสละกันอยู่เรื่อยๆให้เราม ล, ลึกถึงวันข้างหน้าในอนาคต ที่เราอยู่ในโลกของอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราจะต้องมีการพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่เป็นเหมือนกับข้อสอบของเราที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราหมั่นทำการบ้านกันวิธีทำการบ้านก็หมั่นระลึกถึง เหตุการณ์ที่จะปรากฏขึ้นในภายภาคหน้าเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดลาดจากของรักของจรญใจทั้งหลายทั้งปวงไปให้เราหมั่นระลึกอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราระลึกอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันการเตรียมตัวเตรียมใจนี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้าน ด้วยการทดสอบว่าเราพร้อมที่จะพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆหรือไม่เช่นวันนี้เราพร้อมเรามาฝึกทำการบ้านด้วยการพัดพรากจากของที่เราลักของที่เราชอบก็คือเงินทองเข้าของต่างๆแล้วถ้าเราไปอยู่วัดหรือไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวก อยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นการซ้อมว่าเราจะทิ้งทุกอย่างไปได้หรือไม่ทิ้งอย่างมีความสุขเหมือนกับเราทิ้งข้าวของเงินทองในวันนี้ได้หรือไม่ถ้าเราทําได้เวลาที่เราแก่ต้องอยู่คนเดียวเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปร่วมทากิจกรรมกับผู้อื่นได้ หรือเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายนี่แหละคือข้อสอบของพวกเราการบ้านของพวกเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเรามาทํากันอย่าขี้เกียจอย่าทะเลทลายอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเข้าห้องสอบเมื่อไหร่ ห้องสอบของเราแต่ละคนนี้ก็ไม่มีเวลาที่ตรงกันบางวันบางคนก็เข้าเร็วเข้าก่อนบางคนก็เข้าหลังเข้าช้าแต่ว่าจะเร็วลืชช้าจะก่อนหรือหลังที่แน่นอนก็คือต้องเข้าห้องสอบด้วยกันทุกคนถ้าทำการบ้านเตรียมตัวไว้เตรียมใจไว้พอเข้าห้องสอบก็จะสอบผ่านได้เกียรนิยม ได้คะแนนเต็มร้อยสีอย่างที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เต็มร้อยกันท่านได้สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนกันคือคือคือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอไม่ทะเลทลายไม่ผัดวันประกันพุ่งรีบทําภารกิจที่จําเป็นจะต้องทํา ให้มันเสร็จรุ่รุวงไปโดยเร็วบางท่านก็เสร็จภายในเจ็ดวันบางท่านก็เสร็จภายในเจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดเสร็จภายในเจ็ดปีแต่ไม่เกินชาตินี้ท่านสามารถที่จะทําการบ้านและเข้าห้องสอบจนสอบได้คะแนนเต็มร้อยได้เป็นอารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนเอง และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อมานี่ก็คื อ, คอผู้ที่ไม่ประมาทนอนใจไม่ผัดวันประกันพุ่งคอยเจริญมรณานุสติอยู่ได้เรื่อยคอยระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรดังนั้นผู้ที่ไม่ประมาท จะต้องคิดเสมอว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ก็ได้หรือเกิดในวันต่อไปก็ได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะนั่งนอนอยู่เฉยๆหรือไปมัวแต่หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขเพียงชั่วคราวที่ไม่สามารถที่จะมาใช้ดับความทุกข์ได้ เวลาที่เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายเวลาที่เกิดการพัดพลาดจากกันให้รีบมาทาในสิ่งที่จะสามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตได้และเปรียบเทียบก็เหมือนให้เตรียมเครื่องดับเพลิงเอาไว้เพราะต่อไปที่อยู่อาศัยที่เราอยู่กันนี้มันจะต้องถูกไฟไหม้ ถ้าเรารู้ว่าบ้านจะต้องมีไฟไหม้เกิดขึ้นมาถ้าเราเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะสามารถดับไฟได้ทันทีบ้านของเราก็จะปลอดภัยใจของเราก็เป็นเหมือนบ้านที่เราเอาศัยอยู่ไม่นานใจของเราก็จะต้องรับความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายรับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดผ้าจากกันความทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เป็นของเราแล้วก็อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปนานๆให้ดีไปตลอด ไม่ให้เสียไม่ให้เสือ่อมให้สามารถรับใช้เราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะพ อ, พอเราอยากให้เป็นอย่างนี้เวลามันไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะเสียใจเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไป บุคคลที่เรารักไปเราก็จะเสียใจเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราไม่อยากให้เขาจากเราไปความอยากอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาไม่ใช่การสูญเสียการสูญเสียสิ่งต่างๆไปนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะมีผู้ที่สูญเสียสิ่งต่างๆไป แต่ไม่ทุกข์กับการสูญเสียเหมือนกับท่านวันนี้มาสูญเสียสิ่งที่ท่านรักที่ท่านหวงก็คือเงินทองข้าวของแต่ท่านกลับไม่เสียอกเสียใจไม่ทุกข์ใจก็เพราะว่าท่านยินดีพร้อมที่จะให้สิ่ง น, นี้จากท่านไปท่านปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเรียกว่าละอุปท า, านได้ ถือว่าไม่ได้เป็นของเรายกให้คนอื่นไปให้คนอื่นเข้าไปแบกกองทุกข์แทนเราต่อไปถ้าคนรับเป็นคนโง่ก็ต้องยึดติดแล้วก็จะทุกข์กับสิ่งที่ตนรับไปแต่ถ้าคนรับฉลาดรับมาแล้วก็รีบจัดการให้มันห่างออกไปจากตนมีอะไรที่เอาไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ ตนเองไม่ต้องใช้ก็เอาไปแบ่งปันเอาไปแจกจ่ายไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ความหวงความลักนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาหัดปล่อยวางกันด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นเพียงสมบัติชั่วคราว ไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นเพียงระยะหนึ่งตราบที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของอื่นๆที่เรามีอยู่จะอยู่กับเราไปจนวันตายของบางอย่างบุคคลบางคนอาจจะจากเราไปก่อนที่เราตายก็ได้ดังนั้นเราควรที่จะพิจารณาว่า เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมโรคกันเพียงแต่มาเจอกันอย่างที่เรามาพบกันในศาลานี้เราก็พบเห็นหลายคนด้วยกันแล้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะออกจากศาลานี้ไปแล้วเราก็จะไปกันคนละทิศคนละทางแต่เราไม่รู้สึกเดือดร้อน เพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นบุตรเป็นธีดาเราเป็นลูกของเราเป็นอะไรของเราเพียงแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเท่านั้นเป็นคนรู้จักเพื่อนร่วมบุญเริ่มกุศลกันเรามาร่วมทําบุญกันที่นี่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ แยกแย้ายกันไปตามทางของเราโลกที่เรามาเกิดที่เรามาอยู่นี้ก็เหมือนศาลาหลังนี้พวกเราที่มารวมกันที่ศาลาหลังนี้ก็เหมือนกับพวกเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้พอเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้เราก็มาพบปะกับคนนั้นคนนี้แล้วเราก็หลงไปกับสมมุตินิยมที่เขาสมมติขึ้นมาว่าคนที่ ให้กำเนิดกับเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราแล้วต่อมาพอเราโตขึ้นเราหาสิ่งต่างๆได้เราก็หลงไปคิดว่าเป็นของเรามีได้สามีได้ภรรยามาก็หลงว่าเป็นสามีเป็นภรรยาของเราได้ลูกได้หลานมาก็หลงไปคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราได้เพื่อนได้ญาติสนิทมิตรสหายมา ก็หลงไปคิดว่าเป็นของเราได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สิ่งต่างๆมาก็ไปหลงคิดว่าเป็นของเราแล้วก็อยากจะให้ของที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปนานๆไม่เสื่อมไม่เสียไม่สูญหายไปแต่ความจริงพวกเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ว่าในทุกสุดทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้มานี้ก็จะหายไปหมดร่างกายของพ่อแม่ก็ต้องหายไปใจของพ่อแม่ก็ต้องออกเดินทางไปสู่พบใหม่ชาติใหม่เช่นเดียวกับคนทุกๆคนที่เราถือว่าเป็นญาติสนิทมิตสหายมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาว่าบุคคลต่างๆเ่านี้ เป็นเหมือนกับเพื่อนอเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดเพื่อนเดินทางบนท้องถนนเรามาเจอกันเวลาเราแวะเติมน้ำมันที่สถานีบริการเราก็พบปะคนนั้นพบปะคนนี้พอเราเติมน้ำมันเสร็จเราอาบเราเข้าห้องน้ำห้องท่าเสร็จรับประทานอาหารเสร็จเราก็ออกเดินทางต่อไปต่างคนต่างไป เวลาเรามาเราก็มาคนเดียวเราไม่ได้เอาพ่อแม่ในอดีตมาเราไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาเอาบุตรเอาธิดามาเรามาคนเดียวเพราะเราไม่สามารถเอาเขามาได้พอเรามาแล้วเราก็มาหาใหม่หาพ่อหาแม่ใหม่หาสามีหาภรรยาหาบุตรหาธิดาใหม่แล้วต่อไป พอร่างกายเรานี้หมดสภาพไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เราก็ต้องไปคนเดียวนี่คือสิ่งที่เราควรมันพิจารณากันอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่เกิดความอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไป นี่คือขั้นต้นที่เราควรที่จะฝึกสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆขั้นที่สองเราก็ต้องมาหัดทําใจกันมาหัดปล่อยวางกันมาหัดอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติมาหัดสละทรัพย์สมบัติเช่นการทําทานนี้ก็เป็นการหัดสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเราก็ทําไปทีละเล็กทีละน้อยก่อน พอเราทำแล้วเราเข้าใจถึงเหตุผลว่าเราทำไมต้องทำเราก็จะอยากจะทำมากขึ้นไปเพราะถ้าเราพิจารณาถึงวันที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไปถ้าเราไปโดยที่เราไม่ได้สละเราจะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอยู่เลยแทนที่จะไม่ได้ประโยชน์แล้วเรายังกลับได้โทษคือได้ความทุกข์ ได้ความเสียใจไป <c oughs> แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมแบ่งปันเข้าของเงินทองต่างๆให้กับคนนั้นคนนี้ไปเก็บเอาไว้ให้น้อยที่สุดให้เท่ามีเท่าที่จําเป็นของต่างๆที่เราแบ่งปันไปสละไปนี้จะทําให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความสบายใจแล้วจะทําให้เราเห็น คุณของการเสียสละเห็นคุณของการที่เราไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเมื่อเราทำกับสิ่งของได้ท่านต่อไปเราก็ทำกับบุคคลเราก็ไปหาที่อยู่คนเดียวเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อก่อนเราต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้พราะถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราเหงาเราว้าเว เราก็ไปหาที่อยู่คนเดียวแล้วไประ ง, งับความเหงาความง้อเวด้วยการทำใจให้สงบระ ง, งับความคิดไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงกิจกรรมที่เราเคยร่วมทำกันเช่นงานต่างๆที่เราทำกันงานเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้น หลังจากที่ทำไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิมก็ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆต้องทำอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากวัฏวนของการแสวงหาความสุขแบบนี้ไปไม่ได้ก็จะต้องหาอยู่เรื่อยๆและเวลาใดที่หาไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่ ทุกทรมานใจแต่ถ้าเรามาฝึกหัดการหาความสุขแบบนี้กันหัดมาอยู่คนเดียวหัดมาต่อสู้กับความว้าเววเศร้าอยงงอยเหงาด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้หยุดความคิดของเราถ้าเราไม่ไปคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ความอยากจะ พบเขาเห็นเขาก็จะหายไปความอยากที่จะให้เขาอยู่กับเราหรือเราอยู่กับเขาก็จะไม่มีแล้วพอไม่มีเราอยู่คนเดียวเราก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวความเหงาความว้าเหวนี้เกิดจากความอยากมีเพื่อนอยากยมีคนนั้นคนนี้อยู่กับเราเพื่อที่เราจะได้มีความสุข นี่คือวิธีการที่เราต้องควรจะกระทำกันเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องไปคนเดียวเราจะต้องอยู่คนเดียวถ้าเราซ้อมเราฝึกทำเสียนตั้งแต่บัดนี้เราสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้คิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้ให้คิดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบาิกรรมพุทโธพุทโธ หรือการสวดมนต์หรือการพิจารณาทมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็ได้พิจารณาความเป็นธาตุของร่างกายก็ได้ว่าร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่ได้มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายนี้เราไปหลงคิดว่ามีสัตว์มีบุคคล มีนายกอมีนายขออยู่ในร่างกายนี้แต่จริงร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำหลงไฟเป็นเหมือนกับตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแล้วไ ม, ไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะสลายกลับคืนสู่ดินน้ำหลงไฟไปถ้าใจเราอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไม่มีความอยากที่อยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้ ใจเราจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขพอใจสงบแล้วความเหงาความว้าเหวก็หายไปเหลือแต่ความอิ่มความสุขความพอที่เรียกว่านัตติสันติปรมสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเหนือกว่าความสุขที่ได้อยู่กับคนนั้นคนนี้ความสุขที่อยู่ที่เกิดจากความสงบของใจ ต้องเกิดจากการหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้มีช่องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้โดยเด็ดขาดถ้าจะคิดก็คิดถึงเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายคิดถึงเวลาพลดพลาดจากเขาจะได้ไม่อยากที่จะไปคิดถึงเขาไม่อยากจะไปอยู่ใกล้เขาพรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีถ้าจะคิดถึงใครให้คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราแล้ว เดี๋ยวเขาก็ต้องตายแล้วไปอยู่กับเขาก็อยู่กันได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นจากกันเสียแต่ตอนนี้เลยไม่ดีกว่าเลยทำใจเสียแต่ตอนนี้เลยไม่ดีกว่าเลยทำใจให้สงบไม่ดีเหรอนี่แหละถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้หมั่นทาใจให้สงบหมั่นเจริญสติในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับ ไม่ให้ใจไปคิดถึงใครเลยถ้าคิดให้คิดถึงความตายของเขาเพียงอย่างเดียวถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่อยากจะคิดถึงใครจะไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวก็ได้เย็นสบายกว่าใจสงบแล้วไม่ต้องการอะไรใจสงบแล้วไม่ว้าเหวไม่เศร้าส้อยหน่อยเหงาและไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครพอใจสงบแล้วนี้เวลาอยู่ใกล้ใครนี้มันกลับลาคาญขึ้นมา ก็จะต้องมีเรื่องให้คิดให้พูดแล้วคิดไปพูดไปถ้าไม่พอใจก็เกิดความไม่สบายใจกันขึ้นมาอยู่สู้อยู่คนเดียวไม่ได้นี่แหละสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกคนทำได้หมดถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนพวกเรากันตอนต้นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าทำไม่ได้ตอนที่ตัสรู้ใหม่ๆก็มีความท้อพระทย ไม่อยากที่จะสอนใครเพราสอนให้ไปอยู่คนเดียวสอนให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปนี้ไม่มีใครอยากจะทํากันก็เลยคิดว่าสอนไม่ได้แต่หลังจากที่มีเวลาได้พิจารณาก็เห็นว่าคนสอนได้ก็มีคนสอนไม่ได้ก็มีคนพระพุทธเจ้าจึงทรงเลือกไปสอนคนที่สอนได้สอนคนพร้อมที่จะสละสอนคนพร้อมที่จะละ ที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลแรกที่ร่วงไปก็คือพวกนักบวชทั้งหลายลวงนักบวชนี้เขาทิ้งมาแล้วทรัพสมบัติเท่าของเงินทองบุคคลต่างๆต่ยงแต่เขายังทิ้งร่างกายเขาไม่ได้เท่านั้นพอพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้เขาทิ้งร่างกายให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวเขาเขาก็ปล่อยวางได้เขาก็หลุดพ้นได้นี่แหละ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเห็นว่ายังสอนได้พวกเราก็ยังสอนได้เพราะพวกเรานั่งฟังธรรมกันพวกที่สอนไม่ได้ก็คือพวกที่ไม่อยู่ในศาลานี้พวกที่ไม่ยอมเข้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันพวกนั้นก็ไม่ต้องไปสอนให้เสียเวลาปล่อยให้เขาอยู่ไปกับกองทุกของเขาต่อไปแต่พวกเรานี่สอนได้พวกเราปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าความเพียรอาจจะยังไม่มากเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราต้องปลุกความเพียรขึ้นมาให้มากด้วยการเราเลิกถึงเวลาที่เรามีอยู่นี่ว่ามันมีน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่รีบทําเสียวันนี้เดี๋ยวเวลาหมดแล้วจะทําไม่ได้เหมือนโบราณที่พูดไว้ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ํามันลดลงไปไม่มีน้ําแล้วมันจะไม่มีน้ําให้ตักใช้ตอนนี้มีน้ํารีบตักให้เต็มตู้พอเต็มตู้แล้วเทนี้ก็สบาย น้ำจะลดหรือไม่ลดก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรมาทำใจให้สงบกันให้เต็มที่แล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นปัญหานี่แหละคือเรื่องของสิ่งที่พวกเราควรที่จะพิจารณากันให้ความสำคัญกันด้วยการที่เราใช้เหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นตัวจุดชนวน ให้พวกเรามาทำบุญกันมารักษาสกินกันมาปฏิบัติธรรมกันมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่เราควรที่จะให้มันเป็นตัวกระตุ้นพอมันเกิดฉันทายุทยะแล้วก็ไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ต่างๆมาเป็นตัวกระตุ้นอีกต่อไปเราควรจะทำไปอย่างต่อเนื่องทำไปเหมือนกับการรับประทานอาหาร ตอนที่เราเป็นเด็กทารกเราต้องให้พ่อแม่คอยป้อนให้เราคอยเลี้ยงเราแต่พอเราโตขึ้นแล้วทีนี้เราไม่ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงเราป้อนเราแล้ ว, ลวเราถึงเวลาเราต้องรับประทานอาหารทันทีฉันใดเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องทาบุญรักษาศีลภาวนาเราก็ต้องท ำ, ท, ำทันทีถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่มีวันที่จะเติมน้าให้เต็มตุนได้ ไม่สามารถทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่เราต้องทำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรม มีให้ท่านนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุกติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกา่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ